หอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำคีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรคิตาจารย์ชาวสีลังการจนาต่อไปจะเป็นเรื่องของปุพพานิมิตสามสิบสองประการก็ปุพพานิมิตอันใดที่เกิดขึ้นแก่พระมหาสัตว์ในขณะนั้น ปุพนิมิตอันนั้นเพิ่งทราบอย่างนี้สมดังที่โบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าขณะนั้นกรองหุ้มหนังก็กรองมหโหระทึกช่องพินอันใครไม่ได้ประโคมก็ประโคมได้เองช่องพินและพินอันใครไม่ได้บรรเลงก็บรรเลงได้เองเครื่องอาพร์อันใครไม่ได้เขยา่าก็ส่งเสียงไพเราะได้เองรอบด้าน เครื่องพันธนาการทั้งหลายในที่ทุกแห่งก็ขาดหลุดออกไปโรคทั้งปวงก็หายไปเองคนตาบอดแต่กําเนิดก็มองเห็นรูปทั้งหลายคนหูหนวกก็ได้ยินเสียงรอบตัวคนใบ้แต่กําเนิดก็ได้สติระลึกได้คนขาพิการก็ใช้เท้าเดินได้เรือที่เดินทางไปตามประเทศก็กลับมาท่าเรือสุ ป, ปัตตะได้เองอย่างรวดเร็ว รัตนทุกอย่างที่อยู่ในอากาศที่อยู่บนภาคพื้นทั้งหมดก็เรืองแสงได้เองรอบด้านไฟร้อนแรงในนรกก็ดับลงน้ำในแม่น้านทั้งหลายก็หยุดไหลในโลกันตริกนรกที่มีทุกข์ไม่ว่างเว้นก็เกิดมีแสงสว่างอันสว่างสวัยทั่วถึงมหาสมุทรก็เกลียวคลื่นและลอดสงบน้ำก็มีรสอร่อย ลมที่พัดกระหน่ำรุนแรงก็หยุดพัดหมู่ไม้ออกดอกบานสะพรั่งดวงจันทร์พร้อมทั้งดวงดาวก็จะรอดแสงเจิดจ้าดวงอาทิตย์ก็ไม่ร้อนแรงหมู่วิหกพากันร่าเริงโผบินลงจากฟากฟ้านภาอากาศและจากแมกไม้มาเกาะอยู่ที่พื้นปฐพีเบื้องล่างเมฆฝนที่อยู่ในมหาทวีตทั้งสี่ ก็หลั่งหยาดฝนรถอร่อยลงรอบทิศเทวดาทั้งหลายอยู่ในภพทิพย์ของตนมีจิตแจ่มใสพากันฟ้อนรําขับร้องประโคมโหร้องสวนเสกันอึงมีเล่ากันมาว่าในขณะนั้นประตูเล็กประตูใหญ่ก็เปิดได้เองความอดอยากหิวกระหายไม่บีบคั้นมหาชนไม่ว่าในโลกไห น, ไหน มูสัตว์ที่จองเวีนกันเป็นนิดก็มีเมตตาจิตกันอย่างยิ่งฝูงกาก็บินเที่ยวกับนกนกเข้าแมวฝูงหมาป่าก็เล่นกับฝูงสุกรงูมีพิษและงูไม่มีพิษก็เล่นหัวกันกับพังพรทั้งหลายฝูงหนูบ้านก็รู้สึกคุ้นสนิทจับกลุ่มกันอยู่ใกล้หัวของแมวความกระหายน้ำในโลกของพวกปีศาจ ที่ขาดน้ำมาเป็นพุทธันดรก็หายไปคนค่อมก็กลับมีกายงามสมส่วนคนใบ้ก็พูดได้ไพเราะมูสัตว์มีจิตแจ่มใสต่างกล่าวปิยวาจาต่อกันฝูงม้าก็ร่าเริงส่งเสียงร้องฝูงช้างทรับมันส่งเสียงโกนชนาดรอบหมื่นโลกธาตุโปรยปลายด้วยจุนจันหอมกลุ่นอบอวลหอมกลุ่นด้วยดอกไม้ ย่้าฝรั่นและทูกมีพวงมาลัยงงดงามหลากชนิดก็ในบุรพนิมิตสามิบสองประการนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งการที่หมื่นโลกธาตุวันไหวเป็นบุรพนิมิตแห่งการที่พระโพธิสัตว์นั้นจะได้พระสัพพัญยุตยานข้อที่สองการที่เหล่าเทวดามาประชุมในจักรวาลเดียวกันเป็นบุรพนิมิต แห่งการประชุมพร้อมกันรับธรรมในเวลาที่พระพุทธเจา้าทรงประกาศพระธรรมจักรข้อที่สามการที่เหล่าเทวดารับพระกุมารก่อนเป็นบุรพานิมิตแห่งการได้รูปรวจรูรปรวจรชานสี่ข้อที่สี่การที่พวกมนุษย์รับพระกุมารภายหลังเป็นบุรพนิมิตแห่งการได้อรูปรวจรชานสี่ ข้อที่ห้าการที่กลองหุ้มหนังและกลองมโหระทึกประโคมได้เองเป็นบุรพานิมิตแห่งการยังมหาชนให้ได้ยินเสียงกลองทำขนาดใหญ่ข้อที่หกการที่พินและเครื่องอาภรณัรเลงเสียงได้เองเป็นบุรพานิมิตแห่งการได้อนุปุพภะวิหารสมาบัติข้อที่เจ็ดการที่เครื่องพันธนาการขาดหลุดออกไป เป็นบุรพนิมิตแห่งการตัดอัศมิมานะข้อที่แปการที่โรคของมหาชนหายไปเป็นบุรพนิมิตแห่งการได้สัจชะสีข้อที่เกาการที่คนตาบอดแต่กำเนิดมองเห็นรูปได้เป็นบุรพนิมิตแห่งการได้ทิพยจักษุข้อที่สิบการที่คนหูหนวกได้ยินเสียงเป็นบุรพนิมิตแห่งการได้ทิพโสตธาต ข้อที่สิบเอ็ดการที่คนใบ้แต่กำเนิดเกิดสติระลึกได้เป็นบุรภานิมิตแห่งการได้สติปัฏฐานสี่ข้อที่สิบสองการที่คนขาธิการใช้เท้าเดินได้เป็นบุรภานิมิตแห่งการได้อิทธิบาทสีข้อที่สิบสามการที่เรือเดินทางไปต่างประเทศแล้วกลับมาสู่ท่าเรือสุปัตะณะได้เองเป็นบุรภานิมิตแห่งการบรรลุปฏิสัมพิทาสี ข้อที่สิบสี่การที่รัตนะทุกอย่างเรืองแสงได้เองเป็นบุรภานิมิตแห่งการได้แสงสว่างในธรรมข้อที่สิบห้าการที่ไฟนรกดับลงเป็นบุรภานิมิตแห่งการยังไฟสิบเอ็ดกองให้ดับไฟสิบเอ็ดกองก็ได้แก่อะไรบ้างได้แก่ไฟคือราคะโทสะโมหะไฟคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรข้าครวน ความทุกข์กายความทุกข์ใจแล้วก็ความคับแขนใจข้อที่สิบหกการที่น้ำในแม่น้าทั้งหลายหยุดไหลเป็นบุรพนิมิตแห่งการได้เวสารชยานสข้อที่สิบเจ็ดการที่มีแสงสว่างในโล ก, กันตริกกันรกเป็นบุรพนิมิตแห่งการกำจัดความมืดคืออวิชาแล้วเห็นแสงสว่างด้วยยานข้อที่สิบแปดการที่น้ำแห่งมหาสุุตรมีรสอร่อย เป็นบุรพานิมิตแห่งการที่แห่งความที่ธรรมวินัยมีรถเดียวคือวิมุติรถและแต่รถก็คือความหลุดพ้นรถของพระนิพพานข้อที่สิบเก้าการที่ลมหยุดพัดเป็นบุรพานิมิตแห่งการทําลายทิฏฐิหกสิบสองประการข้อที่ยี่สิบการที่หมู่ไม้ออกดอกบานสะพรั่งเป็นบุรพานิมิตแห่งความที่พระธรรมวินัย เบ่งบานด้วยดอกไม้คือวิมุตติข้อที่ยี่สิบเอ็ดการที่ดวงจันทร์จะรับแสงเจิด จ, จ้าเป็นบุรพนิมิตแห่งความที่พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของมหาชนข้อที่ยี่สิบสองการที่ดวงอาทิตย์สว่างใสแต่ไม่ร้อนแรงเป็นบุรพนิมิตแห่งความเกิดขึ้นแห่งความสุขทางกายและทางใจข้อที่ยี่สิบสาม การที่หมู่วิหกผูบินลงจากฟ้าฟ้านาภากาศเป็นต้นมาเกาะอยู่ที่พื้นปัจจพีเป็นบุรพานิมิตแห่งการที่มหาชนฟังพระโอวาทแล้วถึงสารณะด้วยชีวิตข้อที่ยี่สิบสี่การที่เมฆฝนที่อยู่ในทวีปทั้งสี่ตกลงมาหาใหญ่เป็นบุรพนิมิตแห่งฝนคือธรรมจานวนมากข้อที่ยี่สิบห้าการที่เทวดาทั้งหลายอยู่ในพพของตนของตน พากันเล่นฟ้อนรำเป็นต้นเป็นบุรพนิมิตแห่งการที่พระโพธิสัตว์บรรลุพุทธภาวะแล้วทรงเปล่งอุทานข้อที่ยี่สิบหกการที่ประตูเล็กประตูใหญ่เปิดได้เองเป็นบุรพนิมิตแห่งการเปิดประตูอริยมรตมีองค์แปดข้อที่ยี่สิบเจ็ดการที่ความหิวไม่บีบคั้นมหาชนเป็นบุรพนิมิตแห่งการได้กายคตาสติอามาตะธรรม ข้อที่ยี่สิบแปดการที่ความกระหายไม่บีบคั้นมหาชนเป็นบุรพานิมิตแห่งการมีความสุขด้วยสุขอันเกิดแต่วิมุตติข้อที่ยี่สิบเก้าการที่หมูสัตที่จองเวนกันได้เมตตาจิตเป็นบุรพานิมิตแห่งการได้พรหมวิหารสี่ข้อที่สามสิบการที่หมื่นโลกธาตุมีธงคันหนึ่งเป็นมาลัยเป็นบุรพานิมิตแห่งการที่ พระพุทธศาสนามีอริยธรรมเป็นมาลัยข้อที่สามสิบเอ็ดกับข้อที่สาสิบสองคุณนวิเศษที่ทเหลือเป็นบุรพานิมิตแห่งการได้พุทธคุณที่เหลือด้วยประการดังนี้บุรพานิมิตสามสิบสองประการนี้ย่อมมีในฐานะสีน่นี้คือในเวลาก้าวลงสู่พระคันของพระมารดาหนึ่ง ในเวลาเสด็จออกผนวดหนึ่งในเวลาตัดสรู้หนึ่งในเวลาประกาศพระธรรมจักรหนึ่งก็จะมีบูพานิมิตสาสสองประการอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้ในบัดนี้ในเวลาก้าวลงสู่พระคันพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตถือปฏิสนธิในพระคันของพระมารดาด้วยมหาวิบากจิตอันเสมอนั้นซึ่งเป็นวิบาแห่งกุศลจิต ที่เป็นอสังขาริษมีเมตตาเป็นเบื้องหน้าเป็นปุรจาริษสมปยุทธ์ด้วยยานอันสหรคต ด, ด้วยโสมนัสในขณะนั้นบุรพานิมิตสมิสองประการนี้ปรากฏแล้วพื้นแผ่นดินแม้ทั้งสิน้นวันไหวด้วยอาการหกคือหนึ่งยืดขึ้นข้างหน้าโน้มลงข้างหลังสองยืดขึ้นข้างหลังโน้มลงข้างหน้าสาม ยืดขึ้นข้างซ้ายโน้มลงข้างขวาหกยืดขึ้นข้างขวาโน้มลงข้างซ้ายเจ็ดยืดขึ้นตรงกลางโน้มลงข้างท้ายห้าข้อที่ห้านะยืดยืดตรงกลางโน้มลงข้างท้ายข้อที่หกยืดขึ้นข้างท้ายโน้มลงตรงกลางมหาปฏาปีหนาถึงสองแสนสี่หมื่นโยีน้ํารองแผ่นดินอยู่รอบๆหลุดเรือที่ถูกคลื่นแห่งน้ํา ที่ไหวเพราะแรงลมซัดจนพับหักแม้ไม่มีเจตนาก็เหมือนมีเจตนาวันไหวด้วยอาการหกประการดังกล่ามานี้ดุดฟ้อนรำด้วยปีติสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าในการใดเราเป็นเทพอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตในการนั้นเรามีชื่อว่าสันตุสิตะเทพบุตร เทวดาในหมื่นจักรวาลได้มาประชุมกันแล้วพระนมมือกล่าวอัญเชิญเราว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่บัดนี้ถึงเวลาสมควรของพระองค์แล้วขอเชิญพระองค์เสด็จอุบัติในพระคันพระมารดาตรัสรู้อมตะบทช่วยสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นสังสารวัฏเถิดขณะเมื่อเราจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงสู่พระคัน แผ่นดินทั้งหมื่นโลกธาตุวันไหวแล้วเท้ามาหาราชทั้งสี่ถือพระขันคอยอารักขาเพื่อป้องกันอุปัตตวะให้พระโพธิสัตว์ผู้ถือปฏิสนธิและพระมารดาของพระโพธิสัตว์มารดาของพระโพธิสัตว์มีได้เกิดความกำหนัดในบุรุษทั้งหลายทรงมีความสําราญมีได้ลำบากพระวรกายทรงมองเห็นพระโพธิสัตว์ที่ทรงอยู่ในพระขันของพระองค์ ดุดเส้นได้ละเอียดร้อยอยู่ในแก้วมณีดวงใสทรงบริหารพระคันอยู่สิบเดือนบุคคลอื่นใครเล่าที่จะมีการก้าวลงสู่คันเหมือนกับพระมหาบุรุษนั้นเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าปรารถนาพระโพธิญาณขอกราบไหว้พระมหาบุรุษนั้นด้วยความเคารพเป็นนิดการกการพรรณน า, นาการก้าวลงสู่พระคัน ในคัมภีชินารังการะที่ให้ความเพลิดเพลินแก่สาธุชนจบแล้วด้วยประการชนี้ต่อไปจะเป็นการพรรณนาสิริมงคลของพระโพธิสัตว์เมื่อคราวประสูตรบัดนี้พระพุทธรักษตาจารย์เมื่อจะแสดงการที่พระโพ ธ, ธรริสัตว์ประสูตรจากพระการของพระมารดานั้นจึงกล่าวว่า ต่อจากนั้นอีกสิบเดือนพระมารดาของพระโพริษัต์นั้นมีพระคันครบกำหนดเสด็จไปยังสวนลุมพินีวันอันรื่นรมดอกไม้บานสะพรั่งประทัพยืนเหนียวกิ่งต้นสาละอันงดงามประสูตรพระโอรสผู้ประเสริญนั้นโดยง่ายในครั้งนั้นเทวดาหน้าอสูรและยักษ์ในหมื่นโลกธาตุต่างมีมงคลอันดี พากันมาจากทิศ ต, ต่างๆสู่มงคลจักรวาลเพื่อความเป็นมงคลมูเทวดาในอากาศพากันกลางกั้นฉัดมีซี่เป็นวงรอบหลายพันจามอนมีคันทองคำโบกไปมาเสียงกลองเสียงสังบรรเลงบรรลือลั่นพระมหาบุรุษมีพระวรกายอันมนทินแม้สักเล็กน้อยมิได้แปดเปื้อนเลย ทรงเปล่งปลั่งดุจ ด, ดวงอาทิตย์สุกสกาวอยู่ในท้องฟ้าประทับยืนเหยียดพระบาททั้งคู่ดุจพระธรรมกถึกก้าวลงจากธรรมะมหมู่พรหมผู้สิ้นอาสวะแล้วพากันเข้าไปรับพระมหาบุรุษนั้นด้วยตาข่ายทองคำจากนั้นเทวดาทั้งหลายพากันรับด้วยแผ่นหนังกวางดำจากนั้นหมู่มนุษย์พากันรับด้วยผ้าทุกูละ จากมือของมนุษย์แมเหล่านั้นพระมหาบุรุษประทับยืนเหนือแผ่นดินอันประเสริฐทรงเหลียวดูรอบทั่วทุกทิศทวยเทพและหมู่พรมพากันกล่าวว่าบุคคลผู้ที่เสมอกับท่านย่อมไม่มีในโลกบุคคลที่ยิ่งกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนพระมหาบุรุษผู้องคอาจเสด็จดำเนินไปทางทิศเหนือเจ็ดเก้า ทรงบรรดือีหนาะอันเป็นสิ่งที่นำประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นต่อจากนั้นพระมารดาได้ทรงพาพระโอรสกลับพระราชวังของพระองค์ในวันที่เจ็ดพระมารดาได้สิ้นพระชนไปเกิดเป็นเทพบุตรในวันที่ห้าพวกพราหมณ์ผู้ได้รับเชิญมาพระราชทานเลี้ยงเป็นอันดีเพื่อจกขนานพระนามเหล่านั้น ได้เห็นพระลักษณะอันประเสริฐแล้วพากันยกนิ้วมือนิ้วเดียวพยากรณ์ว่าราชกุมารนี้จกตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้กาสะจากราคะพระราชกุมารได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรปะชิตผู้ดุด จ, จะชักชวนให้บวชได้ทรงละกามทั้งหลายเสด็จออกผนวดเป็นบนรรปะชิต ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากราคะในคาถาเหล่านั้นมีอธิบายตามลำดับแห่งคาถาดังต่อไปนี้พระนาสริมห า, มายาทรงบริหารพระโพธิสัตว์ด้วยพระคันเป็นเวลาสิบเดือนอย่างนี้แล้วทรงมีพระคันครบกำหนดทรงประสงค์จะเสด็จไปยังพระราชวังของพระยาตจึงกราบทูลให้พระเจ้าสุดโทธนะมหาราชทรงทราบว่า ข้าแต่เทวะมอมฉันปรารถนาจะไปเทวทหนครพระราชาทรงอนุญาตแล้วทรงโปรดให้ปรับผลทางให้เรียบเสมอตั้งแต่นครก บ, บิลพั์จนถึงนครเทวทหะโปรดให้ประดับด้วยต้นกล้วยและหม้อน้ำเป็นต้นแล้วทรงส่งพระเทวีไปด้วยเสเลียงทองคำพร้อมกับบริวารหมู่ใหญ่ปาไม้สาระมงคลชื่อว่าลุมพินีวัน อันเป็นสถานที่สมควรไปประพาสพระแรมของชาวพระนครทั้งสองมีอยู่ในระหว่างนครทั้งสองป่าไม้สาระนั้นมีดอกผลิบานเป็นแถวทั้งหมดตั้งแต่โคนต้นจนถึงยอดพอได้ทอดพระเนตรเห็นป่าไม้สาระที่ผลิดอกบานนั้นพระเทวีก็ทรงประสงค์จะทรงเที่ยวเล่นในป่าไม้สาระ พวกอมมาตได้กราบทูลให้พระเจ้าสุดโทธนะทรงทราบแล้วทูลเชิญพระนางสิริมหามายานำเสด็จเข้าไปยังพระอุทยานลุมพินีวันพระนางสิริมหามายาเสด็จเข้าไปยังป่าไม้สาระมงคลแล้วทรงประสงค์จะจับกิ่งไม้ซึ่งมีดอกประดับเต็มต้นทั้งที่ลำต้นกลมตรงกิ่งไม้สาระนั้นก็โน้มลงมาถึงฝ่าพระหัตของพระนางเอง ดุดนอไหวที่นึ่งแล้วเมื่อพระนางเสด็จมห า, มายาประทับยืนเหนียวกิ่งต้นสาละนั้นลมกรรมชวาศก็เกิดวันไหวในลำดับนั้นข้าราชบริพารได้กั้นม่านถวายพระนางแล้วหลีกออกมาในขณะที่พระเทวีเสด็จเข้าไปยังป่าลุมพินีวันทวยเทพได้เปล่าประกาศว่าวันนี้พระมหาบุรุษจกประสูตรจากพระขันของพระมารดา ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุได้เกิดโกลาหนทั่วถึงกันทั่วทั้งโลกธาตุมีการรื่นเริงถึงเทือกทั่วกันทั่วทั้งโลกธาตุมีการรื่นเริงทั่วถึงกันบรรลือกึกก้องทั่วถึงกันเทวดาและพรหมทั้งหลายปรึกษากันว่าพวกเราจะกระทำมงคลแก่พระมาหาบุรุษผู้ประสูติแล้วจึงพากันมาจนเต็มมงคลจักรวาลนี้ ต่างถือพันดะมงคลต่างๆขับร้องเพลงมงคลปกคบกมอากาศทั้งสิ้นด้วยสเวตฉัตบพากันยืนส่งเสียงดนตรีทิพย์และเสียงสังบรรลือทั่วถึงกันพวกสตรีอื่นตั้งคันยังไม่ถึงสิบเดือนบ้างเลยสิบเดือนบ้างย่อมนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างอย่างใดพระมารดาของพระโพธิสัตว์ ไม่เป็นอย่างนั้นพระมารดาของพระพธิษัตนั้นทรงตั้งพระคันอยู่สิบเดือนแล้วทรงประทับยืนประสูตรดุดน้ํามันไหลออกจากบาดก็สัตว์เหล่าอื่นเมื่อคลอดจากท้องของมารดาย่อมเปื้อนสิ่งสกปรกไม่สะอาดออกมาพระโพธิษัตไม่ทรงเป็นอย่างนั้นพระโพธิษัตนั้นทรงเหยียดพระหัตถ์ทั้งสองและพระบาททั้งสองประทับยืน ไม่ทรงแปดเปื้อนด้วยมลทินพระคันอะไรทรงสะอาดผปร่งใสทรงรุ่งเรืองดูดดวงแก้วมณีที่วางอยู่ปนผ้าจากแครนกาสีผืนสะอาดประสูดออกจากพระคันของพระมารดาเหมือนพระธรรมกถึกสแสดงธรรมเสร็จแล้วก้าวลงจากธรรมะทรงแก้วกล้าปราศจากความกลัวมีสติสัมปชัญญะลืมพระเนตรทั้งสองก้าวลงด้วยพระบาททั้งสอง ดุดดวงพานุมาตรมีรัฐมีหนึ่งพันชําแรกสุวรรณบันพศโผลออกมาในขณะนั้นบุรพานิมิตสามบสองประการได้ปรากฏแล้วมหาปตา ภ, ภีได้เกิดวันไหวเรื่องเหล่านี้ผู้ศึกษาพึงทราบตามในที่กล่าวแล้วในตอนที่พันานาเรื่องที่พระโพธิสัตว์ก้าลงถูกพระคัน ก็คือบุพนิมิตสันนิษนประการก็อย่างเช่นขณะนั้นกลองหุ้มหนังกลองมโหระทึกช่องพินอันใครไม่ได้ประโคมก็ประโคมได้เองช่องพินและพินอันใครไม่ได้บรรเลงก็บรรเลงได้เองเครื่องอภรณ์อันใครไม่ได้เขย่าก็ส่งเสียงไพเราะได้เองรอบด้านเป็นต้นมหาพรหมขีณาสพผู้อยู่ในสวรรค์ชั้นสุดทาว่า ใช้ตาข่ายทองรองรับพระมหาบุรุษผู้ก้าวลงอย่างนั้นแล้ววางไว้เบื้องพระพักของพระมารดาทูลว่าพระเทวีขอพระนางจงดีพระไทยเถิดพระโอรสของพระนางเกิดมามีตักใหญ่พระมารดาบิด้มีอาการประชวนแม้สักเล็กน้อยเมื่อเป็นดังนั้นทานน้ำสองสายไหลลงจากอากาศเพื่อสการะพระโพธิสัตว์กับพระมารดาของพระโพธิสัตว์ สนานพระเสียรให้ได้รับไออุ่นในขณะนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่รับพระโพิสัตจากมือแห่งพรหมทั้งหลายด้วยเครื่องราดหนังเสดาวที่สมมุติกันว่าเป็นมงคลอันมีสัมบัติอันมีสัมผัสสบายพวกมนุษย์รับจากมือของท้าวมหาราชทั้งสี่ด้วยเทิดผ้าเปลือกไม้พระโพิสัตวพ้นมือจากพวกมนุษย์แล้วประทับยืนบนแผ่นดิน ทรงมองดูทิศ ต, ตะวันออกหลายพันจั ก, กรวาลได้มีเนินเป็นลานเดียวกันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นพากันบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยของหอมและพวงมาลัยเป็นต้นกล่าวว่าพระมหาบุรุษบุคคลผู้เสมอเหมือนกับพระองค์ย่อมไม่มีในที่นี้บุคคลผู้ยิ่งกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนพระโพธิสัตว์ทรงเหลียวดูทิศทั้งสิบอย่างนี้แล้ว ไม่ทรงเห็นใครที่เสมอเหมือนกับพระองค์ทรงบ่ายพระพักไปทางทิศเหนือได้เสด็จดำเนินไปเจ็ดเก้าและเมื่อเสด็จดำเนินไปได้เสด็จดำเนินไปบนพื้นดินนั่นเองมิได้เสด็จไปทางอากาศเสด็จไปโดยมิได้มีผ้าห่อหุ้มพระวรกายมิได้เสด็จไปมีผ้าห่อหุ้มพระวรกายทรงเป็นทารกเสด็จไปมีใช่ทรงเป็นชายหนุ่มอายุสิบกปีเสด็จไป แต่พระองค์ได้ปรากฏแก่มหาชนเป็นดุษเสด็จไปทางอากาศเป็นดุษทรงประทับตบแต่งเป็นดุษชายหนุ่มอายุสิบหกปีในขณะนั้นท้ามหาพรหมได้กั้นสเสวตชัดมีมนทนสามโยดในจักรวาลที่เหลือก็เหมือนกันท้ามหาพรหมทั้งหลายพากันกั้นสเวตชัดทั่วทั้งห้องจักรวาลได้มีเวตชัรเป็นวงกลมจนถึงพรหมโลกในหมื่นจักรวาล เท้าสุยามะเทวราชทั้งหลายยืนถือพัดวีชนีพัดอยู่เท้าสันดุสิตเทวราชทั้งหลายยืนถือก้านตานแก้วมณีพัดอยู่ยืนต่อการจนถึงภูเขาจักรวาลเท้าส ก, กะเทวราชทั้งหลายเป่าสังหนึ่งมื่นอันเทพบุตรบางพวกยืนถือพวงมาลัยทองบางพวกยืนถือพวงมาลัยดอกไม้บางพวกยืนถือพวงมาลัายคันซอง บางพวกยืนถือพงมาลัยธงบางพวกยืนถือรัตนมีค่าเทศทิดาทั้งหลายได้ยืนถือพันดะมงคลหลายชนิดจนเต็มทั่วห้องแห่งจั ก, กรวาลก็ต่างก็พากันมาเพื่อจะมาทัศนาชมนาบุญญาบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ที่เพิ่งจะประสูติออกมาเมื่อพิธีบูชาอันดูดดึงในเ ย, ยตา เ ม, เมื่อพิธีบูชาอันดูดดึงในตาดําเนินการอยู่เมื่อสังทิปและสังมนุษย์หลายพันได้รับการเป่าอยู่เมื่อดนตรีทิปและดนตรีมนุษย์หลายชนิดบรนเลงอยู่เมื่อนางเทพกัญญาทั้งหลายฟ้อนรําอยู่อย่างนี้พระโพธิสัตว์ได้เสด็จดําเนินไปเจ็ดเก้าแล้วประทับยืนอยู่ในขณะนั้น เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเงียบเสียงพูดเงียบเสียงร้องเงียบโสดคอยสดับว่าพระมหาบุรุษนี้จะกล่าวอะไรพระโพธิสัตว์ไม่ตรงเห็นใครที่จะเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าพระองค์ในสมาคมนั้นเมื่อจะทรงประกาศให้ได้ยินเสียงของพระองค์พร้อมกันทั่วทั้งหมื่นโลกะธาจึงทรงบรรลือศีหนาทว่าอัคโคหมัสมิโลกัสะ เราคือผู้เลิศของโลกเทโทหมามัสมิโลกัสเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเศทโทหหามัสมิโลกัสเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกอยะมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตถิดานิปุนัภโวบัดนี้พบใหม่จะไม่มีอีก ใครๆที่ชื่อว่าสามารถคัดค้านพระโพธิสัตว์นั้นมิได้มีแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงได้ให้สาธุการแล้วเพราะเหตุนั้นพระพุทธรคิตาจารย์จึงกล่าวว่าคันตวานะอุตรังเสด็จไปทางทิศเหนือเป็นต้นพระมารดาทรงอุ้มพระมหาบุรุษผู้ประทับยืนบรรลือศรีหานาดอย่างนั้นให้แน่พระอุระดื่มพระขีระ ชาวพระนครทั้งสองพาพระมหาบรุษเข้าสู่นครกบิรพัตรก็เพราะพระคันที่พระโพธิสัตว์ทรงอาศัยอยู่ย่อมเป็นเช่นกับห้องแห่งพระเจดีย์สัตว์อื่นไม่สามารถจะอยู่อาศัยหรือใช้ถอยได้ฉะนั้นพระมารดาของพระโพธิสัตว์หลังจากพระโพธิสัตว์ประสูตจากพระคันได้เจ็ดวันจึงสิ้นพระชนไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิต ก็มีนามว่ามายาเทพบุตรนะตายเป็นบุรุษไปในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูตินั่นแหลหมูแห่งเทวดาทั้งหลายในภพดาวดึงร่าเริงยินดีว่าพระโอรสของพระเจ้าสุดโททนะมหาราชในนครกบิลพัทจักประทับนั่งณโคนต้นโพตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วประกาศพระธรรมจักพวกเราจะได้เห็นพระพุทธรีลาอันหาที่สุดมีได้ และจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็พาการโบกสะบัดผืนผ้าเป็นต้นเล่นอยู่เจ็ดวันในสมัยนั้นพระดาบทชื่อว่ากาละเทวินผู้ได้สมาบัดแปดซึ่งเป็นบรรพชิตประจำราชตระกูลของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชฉั้นอาหารเช้าแล้วได้ไปยังพบดาวดึงเพื่อต้องการพักกลางวันได้นั่งพักกลางวันอยู่ในพบดาวดึงนั้น เห็นพวกเทวดาเหล่านั้นมีใจร่าเริงยินดีเล่นกันอยู่เมื่อจะถามว่าท่านผู้นีร้รัทุกทั้งหลายพวกท่านยินดีเพราะเหตุไรก็ได้ถามเป็นคาถาความว่าในคราวที่มีสงครามกับพวกอสูรทั้งหลายพวกเทวดามีชัยชนะพวกอสูรแพ้ก็มิได้มีขนลุกชูชันเช่นนี้พวกท่านมีใจยินดีบันเทิงมีเหตุอัศจรรย์อะไรหรือ ในลำดับนั้นพวกเทวดากล่าวกับพระดาบทกามลเทวินนั้นว่าพระโอรสของพระเจ้าสุดโทธนะประสูติแล้วพระโอรสนั้นจักประทับนั่งที่โพธิมณฑลตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วประกาศพระธรรมจักพวกเรายินดีว่าพวกเราจะได้เห็นพระพุทธลีลาอันหาที่สุดมิได้และได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั้นพระดาบทได้ฟังคํานั้นแล้วจึงลงจากเทวโลก แล้วเข้าไปยังพระราชนิเวศนั่งบนอาสนะที่จัดถวายจากนั้นพระดาวดได้รับการปฏิสันถานแล้วทูลถามพระราชาว่ามหาปพิธได้ทราบว่าพระโอรสของพระพระโอรสของมหาปพิธประสูติแล้วหรืออัตมาอยากจะเห็นพระโอรสนั้นพระราชาได้มีรับสั่งให้นำพระโพธิสัตว์ผู้ประดับตกแต่งมาจะให้ไหว้พระดาบทพระบาททั้งคู่ของพระมหาบุรุษ กลับเวียนไปประดิษฐานเหนือชดาของพระดาบทเหมือนสายฟ้าแลบเหนือยอดเมฆสีเขียวครามบุคคลที่พระโพธิสัตว์จะพึงไหว้ด้วยอัตภาพนั้นไม่มีก็ถ้ามนุษย์ทั้งหลายไม่ทราบจะพึงวางพระเศียรของพระโพธิสัตว์ไว้แทบเท้าของพระดาบทศีรษะของพระดาบทนั้นจะพึงแตกเจ็ดเสี้ยงพระดาบทคิดว่าเราไม่ควรทําตนเองให้ชิบหาย จึงลุกจากอาสนะแล้วประคองอัญเชอีต่อพระโพธิสัตว์พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์นั้นแล้วจึงไหว้พระโอรสของพระองค์พระดาบดกกำลังไหว้อยู่ได้เห็นความถึงพร้อมแห่งพระลักษณะของพระโพธิสัตว์ไคร่ครวญพิจารณาว่าพระกุมารจกตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือหรือไม่หนอได้ทราบว่าพระกุมานี้จัก จักตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยแล้วหัวเราะด้วยคิดว่าพระกุมาร น, นี้เป็นบุรุษอัศจรรย์ก็ดีใจนะเกิดบันเทิงใจร่าเริงก็เลยยินดีหัวเราะขณะนั้นพระดาบทิจารณาดูว่าเราจะอยู่ทันเห็นพระกุมาร น, นี้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่หนอได้เห็นการที่ตนจะมรณะภาพแล้วไปเกิดในอรูปภพในช่วงระหว่าง แล้วได้ร้องไห้เอ่ยเสียใจว่าเราจักไม่ได้อยู่ทันเห็นบุรุษผู้อัศจรรย์เห็นป่านนี้ในลำดับนั้นมนุษย์ทั้งหลายเห็นข้าวจึงถามว่าบัดนี้เองพระคุณเจ้าหัวเราะแล้วร้องไห้จะมีเหตุอะไรหนอะพระดาบทตอบว่าจะไม่มีอันตรายแต่พระกุมาร น, นี้พระกุมารจากักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยแต่อัตมาจัก มรณะภาพเสียก่อนจะไม่ได้ทันอยู่เห็นพระกุมารตัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นอาตมาจึงร้องไห้การต่อมาในวันที่ห้าพระญาติทั้งหลายให้พระกุมารสนานพระเศียนแล้วประสงค์จะขนานพระนามให้จึงฉาบทาพระราชวังด้วยคันรชาตของหอมสี่ชนิดโปรยด้วยดอกไม้รวมทั้งข้าวตอกด้วยเป็นที่ห้า ให้หุงต้มข้าวปาญาตที่ไม่เจือปนแล้วเชิญพราหมณ์ผู้จบไตรเพศร้อยแปดคนมาฉันข้าวปาญาตที่น่าชอบใจกระทําสการะแล้วเลือกพรามณ์ไว้แปดคนให้ดูพระลักษณะพราม์เหล่านั้นตรวจ ด, ดูพระลักษณะแล้วเจ็ดคนชูนิ้วมือสองนิ้วกล่าวว่าพระกุมาร น, นี้เมื่ออยู่ครองคารวาสจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิออกบวชแล้วจากตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่มีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งชื่อโกนธัญญะชูนิ้วมือนิ้วเดียวพยากรณ์ว่าพระกุมารนี้จะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพราหมณ์แม้ทั้งหมดก็รับรองคำพยากรณนั้นเพราะเหตุนั้นพระพุทธรักษีตาจาร์จึงกล่าวว่าดิสวาณะเอกังคุลิมุขิปิงสุครั้นเห็นแล้วจึงชูนิ้วมือนิ้วเดียวในลำดับนั้น เมื่อพวกพราหมณ์ขนานชื่อให้พระกุมาร น, นั้นได้ขนานพระนามให้ว่าสิทธัตถะเพราะพระกุมารจะสร้างความสำเร็จประโยชน์ให้แก่ชาวโลกทั้งปวงสิทธัตถะก็มาจากคำว่าสิทธะแปลว่าสาเร็จอัตถะก็คือประโยชน์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นผู้ที่ให้ความสำเร็จประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงคือได้สัสยรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ซึ่งวันนี้ก็สมควรแก่เวลาพรุ่งนี้ก็จะได้อธิบายลักษณะของพระมหาบุรุษคือมหาบุริสลักษณะสัมทิ่ตองประการว่ามีอะไรบ้างวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาสาธุชนทั้งหลายที่ได้สดับพระธรรมอันพระพุทธโคอันพระพุทธรักิตาจารย์ได้รจนาไว้ในครรมพีชินารังการะนี้ขอได้สร้างศรัทธาปีติปามโสให้แก่ท่านเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัย ให้ได้อบรมไตรจิกขาเพื่อที่จะบรรลุอริยสัจธรรมในอนาคตการใ น, ใ น, ในันใกล้นี้ไข้ท่านทั้งหลายได้รับวิมุติรสแล้วก็พ้นจากวัฏฏทุกโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ